เมื่อกเราก็สวด อ, น, อนัตตะรักณะสูนนะว่าด้วยความไม่ใช่ตัวตนนะนะรูปนะรูปก็เนะี่ยเราเรียกย่อว่าร่างกายนะแต่จริงร่างกายมันมันก็ยังไม่ใช่รูปทั้งหมดนะรูปคือวัตถุนะคือธาตุสี่นะนะคือรูปนะ นะถ้าเราพูดว่าร่างร่างกายมันก็คืออาจจะมันเฉพาะที่ร่างของเรานาะแต่จริงรูปก็อาคารบ้านเรือนนะ่ะผืนดินแม่น้ํานี่ก็คือรูปทั้งหมดเนะลยรูปมันไม่เที่ยงรูปดมหายใจก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปนะภาพก็เป็นรูป รสชาตินะก็เป็นรูปเความรู้สึกร้อนเย็นนะหรือแม้แต่เวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายเนี่ยก็เป็นรูปน ะ, อ, ะอย่างอาการปวดอนะถ้ามันไม่มีรูปอะมันไม่ปวดนะเพราะรูปมันมีนะมันเลยมีความปวดนะมีความเจ็บนะนี่คือนั้นเวทนาในทาง บางทีเราเรียกในทางภาษาไทยที่จริงมันเป็นรูปนะส่วนเวทนามันภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามธรรมาคือคือความรู้สึกนะเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเนะี่ยนี่คือเวทนาความรู้สึกอนะตอนนี้รู้สึกอย่างไรเนะี่ยเฉยไหมหรือว่าสุข หรือว่าทุกก็ดูนะเนี่ยเวทนามันก็มีเนะรียกว่าสัญญานะสัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสัญญานะสัญญาคือการการนรึกจดจำนะอันนี้สัญญาในภาษามนุษย์เราก็เรียกคนนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายชื่ออะไรต่างๆสัญญาคือการ จำได้ไม่รู้ในสิ่งต่างๆนะแต่และสมมุติก็ก็เรียกต่างกันนะอืมอันนี้คือสัญญาเหมัอนคล้ายๆเราแล้วก็บางทีสัญญาของแต่เราบุคคลก็ต่างกันเราเราเห็นสิ่งนี้นะเราเรียกว่าสวยแต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าไม่สวยก็ได้นะเราเห็นเราได้กลิ่นแบบนี้นะ เรารู้สึกว่าหอมเหมือนน้าหอมนะบางคนรู้สึกกลิ่นนี้หอมดีนะแต่บางคนรู้สึกว่ามันเหม็นนะไม่เหมือนกันเหมือนอาหารนะรสชาติสัญญาแต่ละคนก็จําต่างกันนะเหมือนทุเรียนนะบางคนว่าอร่อยบางคนว่าไม่อร่อยนะสัญญานะมันจดจําหมายรู้ต่างๆนะถูกผิด นะควรไม่ควรบางทีก็เกี่ยวกับสัญญาที่แต่ละคนเรียนรู้แล้วก็จดจำมานะไม่เหมือนกันนะหรือสัญญาของเราเองนะแต่ละวัยแต่ละช่วงก็แตกต่างกันได้นะสัญญาการจำได้ไหมรู้สังขารนะความปรุงแต่งการปรุงแต่งนะก็เหมือนมันต่อยอดอะนะต่อยอดนะจากเวทนาจากสัญญานะ ต่อยอดเป็นการปรุงแต่งนะปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างปรุงเฉยบ้างก็ปรุงแต่งก็ได้นะคือปรุงให้เฉยเนี่ยก็ปรุงแต่งนะไม่ใช่แต่ปรุงแต่งในทางทางดีไม่ดีเท่านั้นบางคนก็ปรุงให้เฉยปรุงให้นิ่งปรุงให้ว่างนะก็ได้นะไม่ใช่ว่างจริงๆก็มีนะแต่ถ้าเราไม่ได้ปรุงแต่งนะมันก็ว่างจริงๆ สำคาญ น, นะการปรุงแต่งวิญญาณเนี่ยเป็นการรับรู้การรับรู้นะไม่ใช่วิญญาณแบบนางผีนะออกนอกล่างแบบนั้นได้รอนไปแต่วิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นช่องทางของการรับรู้นะวิญญาณคือการรับรู้ไม่เป็นธรรมดาเลยนะอื ตามองเห็นรูปนะก็รับรู้ว่าเป็นรูปนะหูจะยินเสียงก็รับรู้ในเสียงนะเป็นธรรมดาอันพวกนี้เรียกว่าขันห้าเนาะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอเอาขันห้ามายกให้เราดูว่ามันไม่เที่ยงนะสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะ มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นทุกข์อย่างเราเรานั่งนิ่งๆไม่ได้นะเรานั่งนิ่งๆไม่จริงนะมันมีการขยับมันมีการกระพริบตามันมีการหายใจะนะมันมีการเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆนยะมันไม่เที่ยงนะสิ่ง ที่รูปมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันเป็นทุกข์นะรูปมันเป็นทุกข์การขยับนะมันก็คือแก้ทุกข์บําบัติทุกข์นะเมื่อสิ่งนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ควรอะที่เราจะยึดมั่นถือมั่นนะออวันนี้มันดูไม่ทุกข์มากนะแต่วันหนึ่งที่มันทุกข์มากๆเนี่ยไม่มีใครอยากจะเอานะ อมันทุกข์มากมันทรมานนะมันจะตายเน ะ, ะตายดีกว่าอยู่นะเพราะว่ามันทรมานอันนี้คือรูปมันเป็นทุกข์นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มองในแง่ไหนเหมือนกันนะที่จริงถ้าเราสามารถรู้ทันจิตรู้ทันความคิดได้เนะี่ยเราจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันยิ่งไม่เที่ยงนะ รูมันไม่เที่ยงมันก็ขยับวันนี้ก็ก็เห็นในลักษณะหนึ่งจิตเองเนี่ยยิ่งไม่เที่ยงนะเมื่อสติมันแก่กล้าจริงจริงเนี่ยมันจะเห็นแต่สภาวะการไหวของจิตเลยนะจิตมันไหวไหวไหวนะวันไอ้ที่ว่ามันมันนิ่งมันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยบางทีมันก็มันก็เป็นแค่บางขณะเท่านั้น แต่จริงจิตมันไหวไปทางตานะแต่คราวนี้เมื่อไหวไปไปทางตาแล้วมันแค่ดูเฉยๆหรือบางทีดูแล้วก็ปรุงแต่งต่อนะการที่ตามองเห็นรูปนะมันก็เป็นธรรมดานะหูมันทีมีเสียงเกิดขึ้นมารอบข้างนะถ้าเรารู้เท่าทันนะหูหูมันไปฟัง ไม่ใช่แค่หูไปฟังเท่านั้นนะจิตมันไหลไปกับหูด้วยก็มีนะดูจิตมันไหลเขาพูดอะไรกันเขามาถามอะไรพระอาจารย์อหูเราแอบนี้มาฟังเอเดินจงกรมอยู่แต่หูมาอยู่ที่เสียงเนะี่ยหรือเราเดินจงกรมนะตาไปสะดุดกับอะไรนะใจก็ไปสะดุดที่ตรงนั้นด้วย สะดดเฉยๆไม่พอบางทีก็ชอบไม่ชอบหรือสังขารก็ปรุงแต่งต่อนะคิดต่อสงสัยให้ความสงสัยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวสังขารที่ชัดๆก็ได้นะมันรู้รู้ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็สงสัยนะ เ, ออเป็นอะไรนะมันปรุงแต่งต่อเนะี่ยถ้าเรารู้ทันอ๋อเนี่ยแหละนะนะคือ จิตมันไหลนะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยแหละมันไหลนะไหลไปคิดเรื่องอดีตไหลไปคิดเรื่องอนาคตนะหรือไหลไปสงสัยหรือติดใจในปัจจุบันที่มันรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยแหละนี่นคือมันจะเห็นว่าแต่มันก็ไปของมันเองนะเวลาเรามองดู มันไปของมันเองนะไปของมันเองมันไม่ใช่เราที่จะไปนะใจมันไปของมันเองมันเป็นเพียงแค่อาการของใจนะมันไม่ใช่ใจจริงๆนะเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นพอเราเห็นแบบนี้นะมันก็บางคนเห็นชัดที่ความไม่เที่ยงบางคนเห็นชัดที่ความเป็นทุกข์ของมัน บางคนเห็นชัดที่ความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เป็นของมันเองของมันนะเห็นชัดตรงนั้นแล้วก็อืมเกิดความเบื่อหน่ายนะในรูปนะเปิดความเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ<ม>เบื่อหน่ายในที่นี้คือไม่ใช่แปลว่าอยากให้มันหายนะมาถึงไม่อยากอไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่เบื่อหน่ายในการไปยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดเมื่อไหร่นะ มันเป็นทุกขนะ์แต่แค่รู้ทันมันเฉยๆเนะี่ยไม่เป็นทุกข์เนะี่ยเบิื่อหน่ายนะคือการที่เราเห็นเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันไม่ใช่ตัวตนอ๋อนะดูจริงๆนะดูตอนที่เรามีสติในการดูนระูปเวทนาจิตธรรมนี่แหละนะกายเวทนาจิตธรรมเนะี่ย ดูเพื่อให้เห็นพวกนี้แหละนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนดูไปแล้วมันก็อืมที่มันหลงไปเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราเข้าไปยึดมันนี่ว่านะหลงเข้าไปคุกกับเขาเนี่ว่าหลงเข้าไปต่อต้านเขาเนี่ว่าหลงไปคิดจัดการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันหลงนะ ด้วยความอยากนะตัวอยากนะให้เป็นอย่างที่ใจต้องการตัวอยากที่จะไม่อยากนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือตัวที่มันอยากแบบคุกเข้าไปในอารมณ์นะคุกเข้าไปในอารมณ์นะในการเสพทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจนะเป็นการตัวอยากนะเป็นตัวสําคัญมาก ภาวนาไปจริงถ้าใครเริ่มเห็นเห็นตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างเนี่ยมันจะรู้ทันนะอ๋อมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรนะแม้ไม่ได้เห็นแบบประจักษ์แจ้งแบบลได้เด็ดขาดนะแต่ถ้าเราภาวนาไปแล้วเริ่มเห็นเห็นความอยากที่มันเกิดขึ้นบนเวทในชีวิตเราเนี่ยมันเยอะมากนะนะ ที่จริงตาไม่ได้อยากนะแต่ใจมันอยากนะดิ้นเองนะไม่ได้อยากนะอปากเองเนี่ยไม่ได้อยากใจมันอยากนะใจเลยสั่งนะสั่งให้เราต้องไปหาของอร่อยอร่อยนะสั่งให้ต้องไปดูอะไรที่มันสนุกสนานนะสั่งต้องไปฟังอะไรที่มันสนุกหรือไพเราะนะรวมทั้งสั่งให้มัน ปิดหูอย่าไปฟังเลยไม่ชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตใจสามารถสักแต่ว่าได้นะสักแต่ว่าเสียงละเสียงทุกเสียงนะสักแต่ว่าได้ยินได้นะสักแต่ว่าได้ยินนะคือใจเปิดนะใจมันต้องเปิดก่อนนะคือถ้าใจเราปิดนะมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่อยากได้ยินเสียงแบบนี้ อยากได้ยินเสียงแบบนี้นะเหมือนคล้ายๆเอาง่ายๆอ่ะแค่พอใจเราปิดกับใครนะคือมันเห็นก็ไม่อยากเห็นได้ยินก็ไม่อยากได้ยินนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องอาดมณ์ของเขาเลยคือฟอนใจมันปิดอ่ะมันต้านนะแต่เมเมื่อไหร่ที่ใจเราเปิดเนี่ยไม่ได้ไปคิดไปตกล่วงหน้าอ่ามันจะมาแบบไหนก็รับอย่างที่มันเป็น มันจะได้ยินตามความเป็นจริงนะส่วนใหญ่ไม่จะสักแต่ว่าแค่ถ้าใจเราปกติมันก็สักแต่ว่าได้ยินนะแต่ก็รู้ความหมายนะมันก็มีสัญญามันมีความเข้าใจของมันอยู่นะแต่พอใจมันเปิดมันก็สักแต่ว่าได้ยินนับรู้เข้าใจตามธรรมชาติตามสมมตินะแต่ครนี้เมื่อจิตมันไม่ปกติห้า เกิดความวันไหวชอบไม่ชอบสุขทุกข์ขึ้นมาเราก็แค่รับรู้อีกตามความเป็นจริงเออมันเกิดความสุขขึ้นมาอย่างกินข้าวนะกินขนมกินอะไรอร่อยก็รู้ว่าอร่อยนะไม่ใช่แบบทุกอย่างจืดนะสมมุติเขาเรียกว่าอร่อยนะดินมันดินมันดินมันคุ้นเคยมันชอบกับรสแบบนี้นะเออ จิตมันมีสัญญาที่เรียกว่าแบบอ น, นี้อร่อยมันหวานมันเค็มเราก็รู้อ๋ออร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ถ้าใจมันเกิดการติดใจอ๋อรู้ทันใจเออมันติดใจไม่อร่อยใจแบบปฏิเสธนะก็รู้เท่าทันความรู้สึกที่ใจต่อด้วยนั่นคือเวลาเรารับรู้ผัสสะนะมันก็จะรับรู้แบบตามความเป็นจริง ตามตามสัญญาที่มันมีนะตามเวทนาที่มันเกิดของมันเองมันจะเกิดเวทนาแบบไหนก็เรื่องของมันนะสุขบ้างทุกบ้างหรือมันจะปรุงแต่งดีไม่ดีอะไรก็เรื่องของมันนะการที่เรามีสติน่ะมันจะดูอย่างที่มันเป็นดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ หรือว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบไหนก็ได้พอใจมันเปิดเป็นอะไรก็ได้ก็จะดูมันอย่างที่มันเป็นนะคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือ น, นยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะอืมไม่ได้ปฏิเสธแต่มันเป็นการเหมือนมีสติอยู่กับเขานะมีสติ <c oughs> เป็นอะไรก็ได้เกิดอะไรก็ได้รู้สึกอย่างไรก็ได้เออแต่จะมีสิทธิ์อยู่กับเขา อ, อยู่แบบไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยการแค่สามารถอยู่กับเขาได้จริงๆเนะี่ยอาสมามองว่าเป็นศิลปะขั้นสูงเลยนะไม่ได้ปฏิเสธทุกอย่างนะอยู่กับสิ่งต่างๆได้นะโดยที่จิตใจ ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยอเนะี้ยอันนี้คือเราก็ฝึกนะเราฝึกลองดูอะไรที่บางทีจิตมันไม่ชอบนะเราก็ลองฝึกที่จะเปิดใจอ้าจะง่วงก็ได้นะจะคิดก็ได้นะจะทุกข์ก็ได้นะใจเปิดอย่างนี้นะจะทุกข์ก็ได้จะไม่สบายก็ได้นะพอใจเปิดมันก็อยู่กับตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ธรำเนาะ แต่ถ้าใจไม่เปิดมันจะกังวลหรือว่ามันจะต้านมันจะกลัวนะกลัวหรือไม่ไม่อยากให้ทิ้งเหล่านั้นเกิดเข้ามานะเนะี่ะทอใจมันเปิดอะไรก็ได้มันผ่านเข้ามาก็แค่รับรู้แล้วเราจะเห็นเองว่าที่จริงแล้วถ้าใจเปิดเนี่ยมันจะตะกตัวเองมากไอ้ที่เคยคิดว่ามันจะเป็นมากเนี่ยเห็นเลยว่าความคิดมันปรุงแต่งของมันเองนะอืม บางทีมันพอมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงเอา้าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี่วมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นะไม่ได้หนักอย่างที่คิดนี่อะไรนะ่ะมันก็รู้สึกได้อ้อคิดมีไหมวัน พ, พวกเราวันแรกแรกมันคิดจะอยู่ได้ครบหรือเปล่าโ <laughs> อ้อทำไม ม, มันง่วงขนาดนี้นะจะอยู่อีกอีกต้องมาสี่ห้าวันได้หรือเปล่านะ จิตมันก็คิดนะใช่ไหมแต่พอวันนี้อยู่ได้ไหม <c oughs> อ๋อผ่านมาแล้วนะใช่อืมเหลือวันสุดท้ายแล้วนะอืมนี่คือจิตเรานะบางทีก็เออมันก็ปรุงจะไม่ไหว อ, อ่า อ, อ่จะไม่ไหวแล้วนะแต่ที่จริงพออยู่ไปเรื่อยเ อ, อ้าเนี่ยตดกตัวเองนะตลกจิตที่มันปรุงแต่งบางอย่าง ใหญ่โตเกินความเป็นจริง ừ, มันก็วิตกนะกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเนาะ<ม>ก็ดูมันน ะ, ะก็เห็นเราเห็นพวกนี้บ่อยๆนะอ๋อมันจะสรุปได้ว่าอย่าพึ่งเชื่อความคิด <c oughs> มันคิดอะไรก็ช่างนะอย่าพึ่งเชื่อมันคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามนะอย่าพึ่งเชื่อ แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามันจะคิดแบบนั้นไม่ได้อ๋อมันคิดของมันนะเออแต่อย่าอย่าพึ่งเชื่อทั้งหมดนะนะก็ดูมันนะคือสติจริงๆอนะ่ะมันจะเป็นทำให้ไม่โดนรับไม่่วนปฏิเสธนะอย่าพึ่งเชื่ออารมณ์แบบหมดใจนะอันนี้เราไม่ชอบเราก็จะไม่ชอบตลอดไป อันนี้เราชอบก็คิดว่าเราจะชอบตลอดไปเหรออย่าเพิ่งเชื่อนะพอเราเห็นแบบเนี้ยออตอนนี้มันไม่ชอบก็รู้มันอยังไม่ชอบเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองแหละความไม่ชอบมันอยู่ตลอดไปไหมนะความชอบเองอยู่ตลอดไปไหมนะความรักความชังอยู่ตลอดไปไหมนะความรู้สึกอะ ความรู้สึกมันก็ผ่านมาผ่านไปแม้แต่อะไรก็แล้วแต่นะที่เราคิดรู้สึกว่ามันเป็นเราอะ่ะเอแต่ตะคนลองทวนก็ได้เราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นคนอย่างนี้เราอ่าเป็นอะไรนะลองดูดีๆอะตอนนี้มันเป็นไหม <c oughs> มันเป็นตลอดไหมอ่า เราเป็นคนเช่นเราเป็นคนเข้มแข็งนะถามว่าความเข้มแข็งตลอดไหมนะเราเป็นคนอ่อนแอเราอ่อนแอตลอดไหมนะเราเป็นคนมั่นใจในตัวตัวเองนะมั่นใจตลอดจริงหรือเปล่านะดังเรไม่นะกลัวไม่กังวลไม่นะดูดูดีๆนะ ความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราจริงๆอะ่ะมันไม่มีนะมันมีแต่สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตก็แค่นั้นถ้าดูจริงๆเนะี่ยธรรมะจริงๆอะ่ะมันจะเป็นดูแบบดูความที่มันเป็นแค่ปรากฏการหรือว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกายหรือกับจิตนะนั้นความเป็น ตัวเราจริงๆมันไม่มีมันมีแต่สภาวะขนาดนี้มันเป็นแบบนี้สภาวะแบบนี้เป็นแบบนี้ดูให้เห็นด้วยแล้วพอเราเห็นแบบนี้นแยกถลุงความเป็นเราจริงๆมันไม่มีนะมันมีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทีละขณะนะสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆหาความเป็นเราจริงๆไม่มีนะก็ดูจริงๆนะตอนที่ทุกบนะ เพราะคิดว่ามีเรานะหรือทนทิดทุกเพราะว่ามีคนวิจารณ์สิ่งที่เราไม่อยากให้มันเป็นนะมันทุกข์เพราะตอนนั้นนะแต่จริงความเป็นเราจริงๆตอนนั้นมันไม่มีนะอเอเราเป็นคนดีอยู่านะ้คนดีตลอดไหมเราเป็นคนเร็วนะคนเร็วตลอดไหมอา่อาก็ดูดีๆนะ บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีอ้าวก็ดูอ้มันก็เป็นแบบนั้นก็ถูกแล้วนะเขาว่าเราไม่ดีก็ก็ใช่นะบางทีเราก็ไม่ดีจริงจริง <c oughs> บางทีเขาว่าน่าก็แต่ก็ดูมันเป็นทีละขณะทีลขณะทีละขณะนะ่ะอันนี้คือความเป็นอนัตตาคือมันไม่ได้มีตัวตนจริงๆนะมันมีแต่มีมันมีแต่อาการทีละขณะที่มันสืบเนื่องมันไป หาตัวตนที่แท้จริงไม่มีเมื่อเราเห็นความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะมันคืออะไรคือมันจะเมือ่อเมื่อร่างกายมันแตกดับมันก็จะไม่ยึดในรูปนี้เป็นเราที่จริงมันถ้ามีปัญญาตั้งแต่แรกก็คือมันก็ไม่ยึดทุกขณะที่มันเกิดปัญญานั่นแหละแต่เมื่อร่างกายมันดับเนะี่ยมันทิ้งได้ เด็ดขาดนะอืมคือแต่ถ้ามันยังไม่ดับมันยังใช้ก็ดูแลไปเท่าที่ดูแลได้อาศัยใจเพื่อดูแล ร, ร่างกายนะแต่เมื่อร่ากายมันดูแลไม่ได้ก็ก็ทิ้งมันไปไม่อะไรอาบอล น, นะคืนสู่ธรรมชาติส่วนจิตก็เหมือนกันนะจิตเนี่ยมันจะไม่ตถงไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะ มันหลงไปยึดมันก็จะเกิดการไปไปกลัวตายนะกลัวไปสู่พบภูมิไม่ดีนะกลัวเกิดไม่ดีนะมันก็เพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นเป็นตัวตนนะการจะเห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆแนหะมันยากนะเพราะมันยึดนะหรือมันรู้สึกว่าจิตเป็นของเราแต่เพียงแค่จิตของเรามันเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนะ จิตถ้าดูดีๆนะตอนวัยเด็กจนถึงวัยนี้จิตมันเหมือนเดิมไหมตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆระดึกความได้จนถึงขณะเนี้ยจิตมันไม่เหมือนเดิมนะมันเปลี่ยนขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมันเปลี่ยนมากมายเลยนับไม่ถ้วนในอนาคตก็เหมือนกันนะจิตก็เปลี่ยน นะทุกขณะทุกขณะทุกขณะนับไม่้วน เ, เมื่อจิตมันดับไปก็ที่จริงถ้าร่างกายมันดับถ้าเราไม่ยึดว่าจิตเป็นเรานะมันก็จะนำไปสู่การที่เรียกว่าไม่กลับมาเกิดอีกนะคืนทุกอย่างให้กับธรรมชาตินะคืนทั้งรูปคืนทั้งนามนะไม่ไปยึดทั้งรูปและนามว่าเป็นเรานะการปล่อยวางจริงๆคือการเนี่ยแหละ วางในการไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเราเนั่แหละนะอันนี้คือสิ่งที่ฝึกให้เห็นเนาะเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้แหละนะดูดูรูปอ่ดูเวทนาดูสัญญาสังขารวิญญาณนะมันทำงานจำภาษาบาลีไม่ได้ก็ระดึกเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละนะออมันเกิดอะไรขึ้นใน ในร่างกายนี้หรือในจิตใจนี้นะหรือที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้น ร, บรอบๆนี้ที่เป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่มันล้วนอยู่ในกฎของอันนี้ทั้งหมดเลยเราก็ดูตรง น, นี้แหละมันจะเกิดการเบือ น, น่ายเกิดการคลายกำหนัดนการเกิดการปล่อยวางในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นน ะ, ะเป็นไงตอนนี้เทธ ง่วงนอนไหมนั <c> ่ง <ười> อยู่รู้สึกไหมกลับมาอยู่รู้สึกก่อนเนาะหายใจไหมรู้สึกไหมอ่ากกลับมารู้สึกเห็นร่างกายเขานั่งอยู่นะเห็นร่างกายเขาหายใจไหม กลับ ม, มานะจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันไห ม, มจิตตอนนี้อยู่นี่ไหมจิตตอนนี้เป็นอะไรไหมจิตตอนนี้มีความทุกข์อะไรไหมมีไห ม, มหรือใครสงสัย รู้สึกสงสัยนะก็รู้น ะ, ะเฉยเฉยก็รู้นะให้เห็นนะอืกลับมาเห็นที่ปัจจุบันตอนนี้นะอือดีตเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนะตอนนี้พอเรากลับมาดูรู้สึกตัวที่ปัจจุบันนะกลับมารู้สึกเนี่ยร่างกายที่นั่งเหรือรกลับมารู้สึกที่ลมหายใจนะ หรือเราขยับตัวรู้สึกที่ปัจจุบันนะความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยถ้าจิตมันรู้สึกเนะี่ยธรรมดาธรรมดาจิตไ ม, ไม่เป็นอะไรนะนะมันก็แค่รู้นะมันจะเกิดอะไรเราก็รู้ออกเนะี่ยจิตไม่ได้เป็นอะไรมันแค่รู้เฉยๆนะอันนี้แหะ คือจิตที่มันว่างจากความทุกข์นะว่างจากการปรุงแต่งนะ่มันสัมผัสได้ทุกขณะเลยนะกลับมานะเนะี่ยแต่จริงกลับบ่อยๆจนมันรู้สึกว่าเหมือนไม่จะไม่ได้พยายามจะกลับนะมันเหมือนมันอยู่กับตรงนี้แหละอยู่กับปัจจุบันทีละขณะนะอยู่แบบแค่รู้นะเหมือนเหยียบอะไรลงไปไม่จมอนะ่ะ มันเราเดินนะมันเหยียบไม่จมนะอยู่แบบก็แค่สัมผัสนะไปเรื่อยสัมผัสไปเรื่อยไม่ใช่การแบบอยู่แบบจมนะถ้าเดินแบบจมเนี่ยมันจะยากเลยมันเราเดินลีโคนนะจมเข้าไปนะต้องพยายามที่ยกออกมาจมไปเรื่อยยกออกอีกนะแต่ถ้าเราสติเราตั้งมนะั่นอ่ะมันจะเหมือนสัมผัสไปเรื่อยๆที่ตาขณะแค่นั้นเอง ดึมตากระยับตัวยิ้มยิ้มตัวสิรู้สึกไหมรู้สึกใบหน้าที่ยิ้มรู้สึกถึงใจที่ที่สบายขึ้นเนี่ยนี่ปัจจุบันเลยนะอืมระดึกที่ปัจจุบันบ่อย 很呢。